ปรับพื้นฐานศีลให้ดีสวรรค์นิพพานมาเองเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเทศไม่เทศลึกหรอกคนที่เทศลึกๆเทศยานเทศฌานเทศพระนิพพานมีถมเถไปบางคนเทศแต่เรื่องสุญญาตาเทศแต่เรื่องพระนิพพานลงผลสุดท้ายพังสุญญาตาก็คือความว่างเปล่าบุญไม่มีบาปไม่มี มันศูนย์หมดนี่มันก็ไม่มีบุญไม่มีบาปทำบาปก็ไม่เป็นบาปทำบุญก็ไม่เป็นบุญลงผลสุดท้ายก็ต้องพลาดท่าเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงนักสวรรค์ น, นิพพานเมื่อเราปฏิบัติปรับปรุงพื้นฐานธรรมะในชีวิตประจำวันนี้ได้สวรรค์ น, นิพพานมันก้าวไปเองไม่ต้องไปอาจเอื้อม ปัญหาสำคัญว่าเราต้องปรับพื้นฐานในปัจจุบันนี้ให้ดีพื้นฐานที่เราจะพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดก็คือศีลห้าข้อเมื่อปฏิบัติศีลหข้อได้หมดปัญหาสมาธิก็ฝึกจิตให้มีสติสัมปชัญญะรู้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันสามารถแก้ปัญหาปัจจุบันได้อย่างคล่องตัวแต่คุณความดีคือศีลห้าเท่านั้น ธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อเขาเพิ่มพลังงานมากขึ้นเขาจะรู้ทำเห็นทำไปเองโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจทีนี้ศีลเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกันก็เหมือนเหมือนกันกับว่าเราจะสร้างบ้านสร้างช่องของเราสักหลังหนึ่งเราต้องวางรากฐานให้มันมั่นคงสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ปลอดภัยนี่มีแต่ศีลห้าเท่านั้น ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะถึงมรรคผลนิพพานจริงๆสำคัญอยู่ที่ศีลเท่านั้นเป็นหัวใจสำคัญ ศีล ส, สมาธิปัญญาเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรศีลทําให้กายวาจาปกติศีลแปลว่าปกติถ้าละเมิดแล้วเป็นบาปทางกายทางวาจาถ้าเรารักษาได้กายวาจาของเราบริสุทธิ์เมื่อกายวาจาบริสุทธิ์เราไม่ได้ก่อกรรมทำเข็นให้กับใคร เราก็ไม่ต้องหวาดระแวงภัยเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามาทำสมาธิจิตมันก็สงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้วจะเกิดปัญญาปัญญาจึงสำคัญที่สุดก็คือสติที่จะรู้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันทุกขณะจิตทุกลมหายใจนอกจากจะรู้แล้วยังสามารถแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวเพราะฉะนั้นศีล ส, สมาธิปัญญา จึงเกี่ยวเนื่องกันศีลตัดกรรมตัดเวรตัดความวุ่นวายแม้คนอื่นจะมาก่อความวุ่นวายกับเราแต่เราไม่ได้ก่อความวุ่นวายกับเขาเพราะเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมจิตใจของเราก็ไม่เดือดร้อนเมื่อจิตไม่เดือดร้อนก็สงบไปแล้วตอนหนึ่งถ้าเราพยายามฝึกจิตของเราให้มีพลังเข้มแข็งด้วยสติสัมปชัญญะ มันก็ยิ่งทำให้ความสงบเยือกเย็ยนนั้นเด่นเด่นขึ้นทุกทีนอกจากจะได้ความสงบแล้วยังมองเห็นลู้ทางที่จะแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวอันนั้นคือปัญญาคำว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครภาวนาเกิดปัญญาแล้ว จะไปนั่งเทศพระตายปิดกตลอดวันยันค่ำตลอดคืนยันรุ่งไม่ได้หมายอย่างนั้น